ข้อความเจริญในธรรมจง ม, มีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายตาลมพระโพธิญาณได้นำเสนอคันติบา ร, รมีสืบต่อกันมาโดยลำดับลักษณะของขันติที่พระโพธิสัตว์ได้ทรงตั้งไว้ในรูปของการตักเตือนให้สติตัวเองถึงการประพฤติปฏิบัติ สร้างสมบรารมีหรือพุทธการกะบัตมีธรรมในกรณีของขันตินั้นได้กล่าวว่าถ้าท่านปรารถนาจะบรรลุโพธิญาณแล้วไซด์ท่านจงสมาทานขันติบรารมีและลักษณะของขันติเป็นยังไงท่านบอกว่าโดยมีใจแน่วแน่ในขันติบรารมี จะบรรลุพระสัมโพธิญาณได้ประเด็นต่อไปก็เป็นการนําเสนอเนื้อหาสาระของขันติบรมีบ้างแผ่นดินย่อดทนต่อสิ่งของที่เขาทิ้งลงมาซึ่งก็มีทั้งสิ่งเสียที่สะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างแต่วแผ่นดินนั่นจะไม่รู้สึกยินดียินร้ายต่อสิ่งที่เขาทิ้งลงมาเชันใด ท่านจงอดทนต่อการยกจ่องและการเหยียดยามของชนทั้งปวงนั้นฉนนั้นให้มีลักษณะฉชินเดียวกันถึงวังแห่งคันติบา ร, รมีแล้วหมายความว่าบำเพ็ญคันติบา ร, รมีมาจนมีความเข้มแข็งแล้วก็จะบรรลุพระสัมโพธิญาณซึ่งวันนี้ท่านสายชนหลายลองสังเกตว่าลักษณะาการเจริญคันติในมันก็ เราโดยสรุปก็คือไม่ยินดียินได้ต่ออารมณ์ทั้งหลายที่มากระทบคำสอนในแนวนี้จึงกระจายอยู่ในรูปลักษณ์ต่างๆเช่นลักษณะของอินทซียสังวรคือการสำรวจฝังอินรี UC, ก็เน้นย้ำไปที่การไม่ยินดียินได้ในอารมณ์ที่มากระทบเช่นเดียวกันแต่ว่าตามปกติแล้วเนี่ยเรื่องคติ มันกระจายตัวมันเองออกไปจนถึงสิ่งมีชีวิตและก็ไม่มีชีวิตแต่เรื่องบางเรื่องเช่นความโกรธเนี่ยคือถ้าคนเรามีพุ่งฐานปกติสักหน่อยก็จะไม่โกรธสิ่งที่ไม่มีชีวิตเช่นฝนตกก็ไม่โกรธแดดออกก็ไม่โกรโกรธลมพัดก็ไม่โกรธ หนาวก็ไม่โกรธร้องก็ไม่โกรธเว้นไวแต่คนที่ผิดปกติก็อาจจะโกรธก็สัตว์ดในฉานนี่ก็ไม่โกรธพราอไม่รู้จะโกรธแกท่ทำนั่งทำไมเหมือนกันแต่ว่าคนบางคนก็ผิดปกติม้าเห่าก็โกรธม้าฟัดกันก็โกรธแมวร้องก็โกรธสัตว์ร้องก็โกรธก็แล้วแต่แกนั้นแสดงมันเป็นมาสในการวัดสภาพจิตคนได้อย่างหนึ่ง หรือวบางครั้งบางคราวเนี่ยลองสังเกตว่าเวลาจะมีสัมผัสรมหรือตัวเองเช่นบางคราวเราเดินไปสะดุดอะไรเขา้าโดยตัวเราเองเนะแล้วเราจะโกรธสิ่งนั้นโกรธสิ่งที่เราดุดหรือโกรธคนที่เอาของนั้นมาวางไว้ซึ่งคนนั้นไม่รู้ใครแต่ของนั้นเรารู้ว่าเป็นอะไรพราบางครั้งก็โกรธมากขึ้นมาก็ไปเตะซ้ำอีกทีหนึ่ง ก็ผุ่งาพเจ็ดไปแก่ตัวเองเห็นไหมลักษณะมันขาดเหตุผลไปเรื่อยๆอาการของกิเลสเวลาเกิดเนี่ยก็ยจะขาดเหตุผลเพราะว่าการจางคลายของกิเลสมันมาจากการจางคลายของโมหะหมายความปริมาณปัญญาเขาเพิ่มขึ้นแล้วพวกนี้ก็จะกระจางคลายลงไปแต่พอกิเลสก็เกิดขึ้นเนี่ยลักษณะของเหตุผลสติปัญญามันก็ลดน้อยลงไป แล้วก็ชักจะไม่ได้เรื่องขึ้นไปโดยลำดับเพราะแนวคันติตรงนี้โดยเนื้อหาสาระแล้วก็อย่างที่บอกว่าบางครั้งมันเป็นเรื่องของความวิดเบี้แปรปรวนของธรรมชาติเราอยู่ทรามกลางธรรมชาติเหล่านั้นก็จําเป็นจะต้องอดทนให้ได้คืออยู่ให้ได้เช่นว่าภัยสารอี่าเนี่ยร้อนจัดหนาวก็หนาวจัดเราอยู่ตรงนั้นเราก็ต้องทนให้ได้ฝา่เหนือก็มีลักษณะยอย่างนั้นคือหนาวจัด ก็อยู่ให้ได้พักตายก็มีพายุมีน้ำหลากน้ำท่วมพอเจอเข้ามาก็ต้องอยู่ให้ได้แล้วก็รักษาชีวิตไว้ให้รอดด้วยนั้นตามปกติแล้วการโอทุมันก็กระจายไปทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิตแต่ในที่นี้ท่านเน้นไปถึงอารมณ์ที่มากระทบจากการกระทําของบุคคลเพราะอะไรเพราะว่า พวกปรากฏการณ์ธรรมชาติเหล่านั้นตามปกติแล้วคนก็ทนกันได้โดยธรรมชาติเพราะมันมีลักษณะสะ ส, สมอยู่เช่นเราเกิดในประเทศร้อนเราก็ร้อนกันจนจุคุ้นเคยไปเลยมันก็ไม่ต้องอดทนมากอะไรก็ทํานองใกล้ๆกับคนที่มีบ้านอยู่ริมถนนนะทั้งฝุ่นทั้งเสียงรถเนี่ยมันปกติ ก็อยู่จนปกติอติมาเองยังติดใจติดใจเรื่องน้ำท่วมนะครับว่าเรารู้ว่าน้ำท่วมแล้วทำไมจะปลูกบ้านติดดินอันนี้ไม่เข้าใจปลูกบ้านติดดินนี้เยอะเหลือเกินสูงกว่าพื้นไม่ถึงสี่นิ้วมันก็สมควรแก่การน้ำท่วมอยู่หรอแล้วในขณะเดียวกันเนี่ย ตัวเองไม่ชอบเสียงดังแต่มาสร้างบ้านติดติมถนนถึงถ้าหากว่าไม่ใช่ร้านค้าเนี่ยไม่น่าจะอยู่ริมถนนคือน่าจะอยู่ ห, ห่างไกลออกไปคือเสียงรถไม่น่าจะรบ ก, กวนมากเกินไปแล้วก็มีความปลอดภัยพอสมควรบความต้องการเป็นนันมากที่มันมีความขัดแย้งกันอยู่ในตัวเราเองซึ่งบางทีคนก็ไม่ได้ค่อยคิดในเรื่องนั้นเนี่ มืก่อนนั่งรถลงไปทางใต้ก่อนหน้านั้นก็น้ำท่วมท่สุราชเราขอให้เด็กขับรถผ่านไปทางนั้นดูสิทางน้ำท่วมก็สังเกตริมถนนเนี่ยบ้านมันส่วนใหญ่จะอยู่ติดดินมันก็สงคุ้มกันน้ำท่วมเพราสภาพลักษณะตามภูมิศาสตร์เป็นอย่างนั้นที่จริงถ้าเรายกพื้นน้ามันสูงขึ้นหรือ เข้าของสำคัญสำคัญเนี่ยไม่วางไว้ข้างหลังแต่ยามปกติก็อยู่ได้นะอยู่ได้ทุนอยู่ในลักษณะเป็นได้ทุนไม่ใช่เป็นที่อยู่ตาวอนคือพักพ่อนหรือจะา ก, กาั้นจะอะไรก็ตามก็จะเอาของมีค่าไว้ไว้ข้างบนเสียน้ำท่วมกระฐานหันยังไงมันก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนั่นก็เป็นเรื่องของปัญญาเป็นเรื่องของการมองปัญหาต่าง แล้วถ้าเราแก้ปัญหาไวแต่เนิน่นความออกั้างความออทนก็ใช้น้อยลงในที่นี้จะเน้นไปที่เรื่องยินดีกับยินรายแต่หมายความมายกย่องเนี่ยหมายความว่าล่อลวงด้วยผลประโยชน์ทั้งหลายหมายความว่าเรารู้สึกเราได้อะซึ่งตามปกติแล้วคนจะอ่อนไหวได้ง่ายคือถ้าล่อด้วยผลประโยชน์แล้วนี่ยจะอ่อนไหวได้ง่าย เพราะใเราสังเกตว่าแนวของรัทชติต่างๆที่มีการต่อสู้กันทางการเมืองมันที่จริงโครงสร้างมันไม่ได้สลับซับซ้อนอะไรนะถ้าเราจะคิดได้ดีเนี่ยอย่างเช่นว่าลัทธิศาสนาบางศาสนาบางลัทธิที่นีก <c oughs> ็ที่มาเผยแผ่อย่างเนี้ยเราจะเห็นว่ามันจะมีลักษณะพูดคล้ายๆกับ ให้เราแทงหวยแล้วก็รอถูกรอถูกหวยหรือบางวิธีก็ใช้แบบตกเบ็ดก็ออยเหยื่อไปก่อนนะเหยื่อไปก่อนแล้วเสร็จแล้วเราก็ติดเบ็ดมันก็ใช้แนวนี้ลัตที่ขอมนิดมันก็ใช้แนวถูกหวยเหมือนกันที่มีการต่อสู้กันแล้วก็ลัที่อะไรต่างๆไงเวลาเนี้ย ล, ลองสังเกตว่าลัตที่อะไรละ่ะ และที่รื้อเพื่อนบัญญัติสิบประการโลกวินาศโลกวินาศที่สูดานี่ยบูกันดานนะบัญญัตนะิแล้วก็แนวในอย่างนี้ไม่ใช่แนวใหม่อะไรเลยนะเป็นแนวซ้ําๆจากซากโกหกซ้ำๆทักซ า, ก า, า, กาแล้วก็คนก็เชื่อเพราะอะไรเพราะไปลอดด่อโดยผลประโยชน์ต่างๆเพราะว่าไออ ย, ยู่แถบตรงนี้มันก็สะอาด ส, สาการนั้นนะี่นะะเศรษฐกิจก็แย่สังคมก็แร่การเมืองก็แย่ แล้วก็โรคภัยไข้เจ็บก็เบียดเบียดมากมันก็อยากจะหนีแล้วก็หนีให้ไกลหนีให้ไกลเลยไปสวรรค์ไปอยู่กับพระเจ้าเลยพวกนี้ก็เลยเชื่อแล้วก็ตายกันไปเยอะตายจริงๆเท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่าตอนนี้ก็กล่าวว่าตัวเลขขึ้นสูงเป็นตัว น, นั่นคือแสดงให้เห็นเองว่าอารมณ์เหล่าเนี้ยมันจะหลอกคนได้ง่ายเพราะคนรู้สึกว่าได้ แต่ในขณะเดียวกันอารมณ์ที่ยั่วยุให้เกิดความไม่พอใจแล้วคนก็อาจจะหน้ามืดคือถล่มลึกเข้าไปมันก็เหมือนกับการยั่วสัตว์ให้หลงเข้ามาติดกับหรือว่าล่อขัดสึกหน่วยล่อขัดสึกเคารพกันมาเคาร์ลขัดสึกไล่รบกันหน่อยแล้วก็ไล่ก็วิ่งหนีพวกนั้นก็เหมิมเกลิมก็วิ่งไล่เพลินมาแล้วก็อยู่ในวงล้อม ถ้าเราศึกษาแบบพายุหะคือการจัดกองทัพทั้งหลายในสมัยโบราณเนี่ยก็จะเห็นลักษณะอย่างเนี้แล้วก็เหมือนกับการดักสัตว์เหมือนกับอารมณ์ทางโลกธรรมดาธรรมดานี่แหละแต่ว่าเอาไปใช้ในกรณีต่างกันแล้วคนก็นึกว่ารูปแบบมันต่างกันที่จริง ไ, ได้ต่างอะไรก็สรุปว่าจะเน้นไปที่ยินดียินร้ายแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยถ้าหากว่าคนขาดความอดกลั้นอดทนต่อ แต่สิ่งที่มากระแทกกระทันมายุ่ยยุ่ยยวดเหมือนจะเกิดความยินดียินร้ายแล้วก็จะเลื่อนไหลไปตามกระแสแล้วเห็นว่ายินดีก็หน้ามืด่ะยินร้ายก็หน่ามืดทั้งคูคือเหตุผลสติปัญญาปัญญามันจะหายลงไปแต่การไข่ครควนการพิจารณาการตรวจสอบเนี่ยจะลดลงไปโดยธรรมชาติของมัน คือคนเราพอากกา ร, ร่่่นนะ่เ่เออ่่า่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ส่่อ่่่่่า่ก่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่แ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่า่ว่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ี่่่ธิพ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่น่่่่่่่่อย่่่่่ออ่่าา่่่่่่่่่กร่ แล้วก็มอมเมาไว้เครือบเพิ่มหลงหลายแล้วก็ทํายังไงให้ขาดสติซึ่งอาจจะใช้สามวิธีเนี่ยผสมกันไปหรือวิธีใดวิธีหนึ่งในที่สุดเรกาก็ประมาทคือจะขาดสติแล้วในที่สุดก็จะเพลินคือเราสามารถจะคิดได้จากเรื่องอะไรยกตัวอย่างเช่นเนี่ยเช่นเช่นเนี่ยเช่นสมมติเรื่องรามเกียรอินทรชิตปลองตัวเป็นพระอินทร์ทรช้างเอราวัณ ทำให้พระลราะระรกเนี่ยหลงเครื่อมไปแต่อนุมานสติเขาดี <c oughs> เกิดหักคอช้างอีราวันซะเลยหรือแม้แต่ตอนที่นางเบญจากายปลอมมาเป็นนางสีดาตายลอยน้ำมาเนี่ยเห้นว่าพระรามเสียสูญแล <c oughs> ้วเกิดปิยประโยคคิดถึงนางสีดามากไปแล้วไอ้การใคร่ครวนเหตุผลการมองคิดให้มันทั้งระบบอย่างคิดไม่ออก แต่นุมางก็ชี้แจงให้เขียนว่า่ายของเรามันอยู่เหนือน้อําอะแล้วรังสีดาลอยบรนได้ยังไงศพมันลอยบรรไดยังไงลอยทวน้ำก็บรรได้ยังไงมันก็มีวิธีคิดอะเพราะนุมางแก่ไม่ได้หลงแก่ไม่ได้สศกแกไม่ได้เสียดายแต่แกมีหน้าที่ในการระวังรักษาภัยอันตรายและใสติปัญญาแกาแก็ปองใสแกก็แจ่มใสมันก็คิดได้ทั้งๆ ท, ท, ที่เป็นเรื่องทา พระรามเองก็เถอะพระรามท่านก็อวาตารในจริงก็ฉลาดแล้วนะแต่ว่าบทถูกทำให้โศกถูกทำให้เสียดายถูกทำให้น้อยใจมันมันมั น, มนจะเสียสูรหมดเลยตอนนั้นธรรมะ ค, คือขันติเนี่ยมันมองไปที่อารมณ์ซึ่งมีลักษณะโยโย ย, ยุยวนทั้งหมดอะลองสังเกตเก็เรียกว่า อารมณ์ซึ่งกระตุ้นให้เกิดความกำหนัดเกิดความขัดเคืองเกิดความรุ่มหลงเกิดความมัวมเมาก็สี่เรื่องกำหนัดก็คือยัว่วยวนในทางเพศขัดเคือง โ, อโลค ก, ก็คือกำหนัดแต่มันจะมีสองอย่างนะคือทางเพศกับทางผลประโยชน์แล้วก็ขัดเคืองก็คือสบ ป, ประมาดดูถูกดูหมิน่นด่าว่าอะไรต่ออะไรก็แล้วแต่แต่ก็สุรยอดประทับไม่โกรธ แล้วก็ลุ่มหลงมวมเมานั้นจะสร้างความเชื่อ ม, มุนสนเท่สร้างความอยากรู้อยากเห็นแล้วเราก็ไม่ชัดเจนฮะอาจารย์ก็จะตามไปดูเพื่อเกิดความชัดเจนแล้วก็ลวมตัวเข้าไปก็ถูกจับถูกอะไรที่จริงมั น, ม น, มนพฤติกรรมมนุษย์มันไม่ไ ม, ไม่ไม่ค่อยหลากหลายอะไรไม่ค่อยสลับซับซ้อนแต่ว่าเราไม่นึกว่าไอ้เนี่ยที่จริงมันก็คืออย่างนั้นอันนี้ก็คืออย่างนั้นอันนี้ก็คืออย่างนั้นแต่เราคิดได้อย่างนี้มันก็โลภมันไม่มีอะไร ลึกซึ้งอะไรนักหนาแล้วแต่ว่าโลกมันก็หลงอยู่อย่างนั้นเองถ้าถามว่าการเจริญขันติเนี่ยการอยู่โดยคันติเนี่ยมันมีผลมีอนิสองส์อย่างไรบ้างข้อนี้รู้ที่เจ้าได้ทรงแสดงไว้ในอคันติสูตรจะแสดงไปรูปอนิสงส์ไว้ทั้งสองตอนนะตอนหนึ่งก็พูดถึงห้าข้อตอนหนึ่งก็พูดไปสี่ข้อซึ่งก็หมายความว่าคนที่เจริญธรรมะ แล้วก็มีขันติเป็นหลักใจเป็นเรือนใจอยู่พอสมควรก็ได้สัมผัสกันอยู่สัมผัสกันแล้วในชีวิตประจำวันมันส่งแสดงว่าผู้อดทนย่อมเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของคนมากหมายความว่าคนที่หนักแน่นมั่นคงไม่หงุดหงิดง่ายไม่โกรธง่ายไม่หยาบคายไม่ร้ายกาจอะไรเลยมันก็เป็นที่พอใจของคนนะที่ท่านบอกว่าบรรพชิตทั้งปวงมีถือขันติงามพันะไร ความถ้าเป็นนักบวชมีความอดกลั้นมีความอดทนมีความทนทานไม่อ่อนไหวแล้วมันก็เป็นที่รักเป็นที่เคารพของบุคคลทั้งหลายแล้วก็ไม่มากไปด้วยเวรไม่มากไปด้วยโทษเราก็ไม่ถือสาความอะไรไม่จองเวรจ้องไปกับใครเอ แ, แม้มีใครมีการกระทําที่เป็นโทษที่เกิดเป็นโทษทําให้เกิดเป็นโทษเราก็ไม่รับด้วยนะะไม่เล่นด้วยแล้วก็เป็นเฉพาะเขา เพราะในชีวิตประจำวันเราจะดูสภาพจิตเขาจะเป็นสภาพจิตที่ดีเป็นจิตที่มีคุณค่าสูงมันก็มีความสงบเย็นอยู่ภายในจิตคนประเภทนี้ถ้าถึงยามจะต้องตายเนี่ยก็จะตายยังมีสติก็เรียกว่าไม่หลงตายมันเป็นปัจจัยหลักสาคัญที่จะทำให้ บุคคลปุณณ์ตายแล้วไปบังเกิดในสุกติโลกสวรรค์นี่ก็เป็นอนิสงส์ที่สัมผัสได้ก็สัมผัสไม่ได้ก็ ส, ส, กสองข้อนะฮะก็คือไม่หลงตายก็ตายไปแล้วบังเกิดในสุกติแต่ถ้าเรามีการสังเกตมีการจวจสอบราะคนบางคนพระเทระบางรูปคนดีบางท่านที่ท่านตายไปแล้วเนี่ย ก็หน้าตายอย่างเหมือนก็ยิ้มมันเหมือนนอนหลับและเหมือนยิม้มมันก็แสดงให้เห็นว่าก่อนจะตายนั้นเขาบอกว่าคนจะตายเนี่ยหลับตายโลกหน้าลืมตายโลกนี้นะมันจะมีกรรมกรรมอารมกรรมนิมิตอารมณกตินิมิตอารมณ์สนุนบาลีนะมันมีการกระทําในอดีตของตัวเองปรากฏขึ้นภายในภายในจิตมันเป็นภาพภายในจิต ถ้าเราหลับตาแล้วก็เห็นแล้วก็สถานที่ที่เกิดก็ปรากฏแต่สถานที่มันดีเราก็ยินยันแจ่มใสก็จากไปสบายสมนวนอย่างเนี้ยพระพุทธเจ้าใช้ว่าเหมือนทำลายพชนะดินแล้วไปถือเอาพจนะทองคำแต่ทิ้งสรีระร่างกาย ซึ่งเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดโสโครกโดยประการต่างๆแล้วก็ไปใช้พัชนาทองคําอันนี้พูดระดับสังสารวัตรพบชาติมันประนีขึ้นด้านั้นเองแล้วก็ในพระสูตรเดียวกันนั่นแหละแต่ก็ได้ย้ำเตือนขึ้นมาอีกตอนหนึ่งว่าผู้ทนจะเป็นที่รักชอบใจคนมากอันนี้ก็ซ้ำกันนะแล้วก็จะเป็นคนไม่โหดร้ายต่สมาความขมใจได้ห้ามใจได้นะ ผัดใจได้แล้วก็กลายเป็นคนที่ไม่โหดร้ายแล้วก็ที่จริงก็ไม่รุนแรงไปด้วยความรักความชังไม่ใช่ไม่รุนแรงไปด้วยความกดดันกับความโลภนะแล้วก็เป็นผู้ที่ไม่เดือดร้อนอะไรกับใครพบบเพราะะรเพราะคันติมันคู่กับโสรัจักโสรจักก็แปลว่าสงบส ง, งยมคือมีความชื่นชื่นอยู่ภายในใจแต่เราก็จะช่่นชื่นอยู่ตลอดเวลาเวลาแล้วก็สองข้อสุดท้ายนี่เหมือนกันนะ คือไม่หลงตายตายแล้วไปบังเกิดในสุคติประเด็นตรงนี้ก็ทําให้นึกถึงท่านสีหะเสนาบดีได้มากราบถุนถามอนิสงค์ของทานจากพระพุทธเจ้าคือตามปกติเราจะพบอนิสงค์ทานเนี่ยสงแสดงไว้สี่ห้าข้อเนี่ยจะเป็นพื้นแต่ว่าเวลาแสดงแกท่านศิหเสนาบดีสงแสดงหข้อหนึ 1, ่งผู้ให้ทานจะเป็นที่รักของคนเป็นอ น, นมากสงสัตสัตว์บุรุษดม เมื่อจะส่งเคราะห์ก็ส่งเคราะห์บุคคลผู้ให้ทานกีตติคุณดีงามองผู้ให้ทานจะคุ้มกระจองกระจายไปเป็นที่ยอมรับยกย่องนับถือของคนทั้งหลายแล้วก็เป็นผู้องอาจกระหาไนไม่ข้ามความขังเกรงในสมาคมทั้งหลายแล้วไม่หลงตายตายแล้วไปความเกิดในสุคติท่างศรีหาเสนาบดีครับวถือว่าสองสีข้อแรกอสี่ข้อแรกเนี่ยท่านไม่ต้องเชื่อพระพุทธเจากก้าก็ได้เพราะว่าในฐานะที่ท่าน มีโรงทานศูนย์ตัวให้ทานมานานตั้งแต่รุ่นคุณพ่อมาเนี่ยจริงๆ น, นี่ทำสัมผัสตลอดแต่ว่าการไม่หลงตายกับ ต, ตายแล้วไปบังเกิดในสุคตินั้นข้าพระองค์ต้องเชื่อพระผู้มีพระภาคเพราะว่าพระผู้มีพระภาค จ, ะจะรัรรู้ข้าพระองค์ไม่ได้ศักรุูเห็นัหมว่าทางของบัณฑิตโมหานเขาหนักปราดเนี่ยเขารู้กําลังของตัวเอง ว่าอะไรควรจะยืนยันควรจะปฏิเสธหรือควรจะใช่ศรัทธาแต่ถ้าเรามองรายการรายการหนึ่งไปแล้วเนี่ยก็ชักจะอึดอัดแล้วก็ะเห็นว่ามันจะไปกันใหญ่คือรายการตาหมาแก่นทาขอนาสิร์ตเติมสักเนี่ยคือท่านเจตนาดีนั่นแหละมันไม่ได้อยู่ที่พิเยากรหรอกแต่ว่าอยู่ที่บุคลากรที่เข้ามาแสดงความคิดความเห็นตรงนั้น แล้วจะปฏิเสธพระสัพพัญญุตะยานของพระพุทธเจ้าไปสุดโกด่งกรรมไปสุดโกด่งสังสารวัฏเนี่ยบ่อยที่สุดเลยเลยเวนี้เลยเลิกดูละพอรู้สึกว่ามันหดถูอ่ะไม่ได้โกรธเคืองอะไรเขาหรอกดถูว น, นึกว่าเออท่านเหล่านี้ก็คงจะไม่ได้ศึกษาเรียนอะไรมาคือเรื่องเนี่ยเรื่องพรไตรปิฎกัดดนะ เต่องธรรมะในาศาสนานี่ถ้าเราอ่านไม่ตลอดแล้วเนี่ยมันจะมีปัญหาที่จริงต้องอ่านใน ห, หลายเชี่ยวเลยคือบางทีเนี่ยเราไปอ่านเอกาสารระดับรองรองลงมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือคำพูดของคนมันถูกกบกิเลสมนุษย์อ่ะส่วนมากพวกที่ไม่เชื่อเรื่องนรกสวรรค์เนี่ยทำชั่วไว้แย่หรือวยาจะตกนรก เลยก็เหมือนคนเดินบนที่มืดแล้วก็ตะโกนเสียงดังเอาไว้นะเป็นการปลอบใจตัวเองที่จริงลึกๆนั่นคือกลัวผีเพราะคนคนพวกนี้ถ้าเราศึกษาประวัติแล้วเนี่ยจะมีความประพฤติไม่ค่อยดีแล้วก็มีปัญหาที่น่าหวาดกลัวอยู่ก็เลยก็ต่อต้านต่อต้านเรื่องของสวรรค์เรื่องของนรกเอาไว้พวกเหล่านี้ที่จริงมันไม่ได้อยู่ที่ใครเชื่อไม่เชื่อนะมันอยู่ที่มีหรือไม่มี เมื่อพระพุทธเจ้าว่ามีพระอานรยทั้งหลายท่านว่ามีเราไม่มียานรู้เห็นอย่างนั้นไม่มีเครื่องมือในการดูเราก็เชื่อพระพุทธเจ้าเอาไว้เราก็เป็นการปลอดภัยดประการทั้งพวงทั้งฟังทั้งหลายแต่ลงพระโพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอก ง, งามไปบูรในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยั่วกันสวัสดี